พี่แล้วก็อาจารย์ผู้ใหญ่แล้วก็ญาติธรรมทุกท่านนะคะปุ้มก็ได้ฝึกสติโดยการที่เริ่มรู้ตัวมากขึ้นค่ะคือปกติเนี่ยจะเป็นพวกที่คิดเยอะแล้วก็มุ่งไปที่ผลมุ่งไปที่ผลแล้วความคิดก็กระโดดเร็วบางทีระหว่างทางเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นหรือบทจะคิดไปถึงเป้าเสร็จ พอจะไปถึงเป้ามันเปลี่ยนวุ้บแล้วมันก็เปลี่ยนไปเลยบางทีมันวุ้บไปซะเฉยอย่างนั้นนะคะวุ้บไปอย่างอื่นแล้วมันอาจากความคิดเนี่ยมันก็ไปไปลงสู่ทุกเรื่องในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นคําพูดไม่ว่าจะเป็นการกระทําเพราะว่ามันมันมาจากข้างในก็เคยเคย <c oughs> เคยไปปฏิบัตินะคะที่ที่สวนทิศธรรมทิพวันนะคะตอนนั้นอาจจะยังสติไม่ดี สติไม่แข็งแรงสติสติมันไม่ดีจริงๆสติมันไม่ดีจริงๆมันมันไม่ใช่แค่ไม่แข็งแรงอ่ะ ม, มีมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยคือถอยพอเพลยมาเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันเป็นเหมือนโรคซึมเศร้าค่ะคือคิดเยอะมากคิดจนแบบความคิดมันหยุดไม่ได้แล้วบมัน ม, มาม้วนอยู่ที่หน้าผากเนี่ยคือแบบรู้เลยว่ า, าการเนี่ยมันมันมันหยุดไม่อยู่ค่ะแล้วก็ไปไปปฏิบัติ ไก็ก็จะเอาผลนี้ค่ะค่ะแล้วก็ไม่ทราบว่าวิธีเดินเนี่ยจะต้องดูอะไรทราบแต่ว่าเดินแล้วก็ทําจังหวะแล้วคิดว่าตัวเองเป็นคนเป็นคนเร็วเพราะงั้นมันก็คงต้องทําท่าเร็วเพื่อที่ว่ามันจะได้ทนันมาเห็นบางคนก็เร็วแล้วเขาบอกว่าแกง่วงเราง่วงเราก็ทําเร็ว เ, วเอ๊ะขนาดเร็วเนี่ยบางทีมันก็ยังุบหรือว่าฟึ๊บไปเฉยๆยอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอหลังก็ ก็มาพบว่าอ๋อบางกีเราต้องช้าลงช้าลงแล้วมันก็เริ่มนิ่งขึ้นตอนนั้นที่ไปในปีหนึ่งนะคะเดินจงกรมเนี่ยก็คือเดินเดินเดินเดินเดินเดินคือมันก็มีอาการจะเอาอีกค่ะคือคือเพราะเลยมาแล้วเนี่ยถึงจะเห็นตัวเองตอนนั้นก็นึกว่าคงทําได้ก็เดินเดินเดิน เอาฉันจะไม่หยุดฉันจะไม่หยุดเผื่อจะได้เห็นเพราว่าได้อารมณ์มันเป็นอะไรก็มันคือยังไงก็ไม่รู้ก็เดินบอกให้ปฏิบัติเอาเดินเดินเดินเดินงั้นจะไม่หยุดจนกว่าละครังจะมาแบบนี้ก็ก็ดุ่ยเป็นพวกดุยดุยอย่างนี้นะแล้วก็แล้วก็พบว่ามาเลยมาก็อ๋ฉันก็เป็นพวกแรงบนอีกแล้วฉันจะเอาอีกแล้วจนกระทั่งมามาปฏิบัติคราวนี้ค่ะว่าพระอาจารย์บอกว่าให้ให้ตั้งไว้ที่ศรัทธาและความเพียรแล้วก็ ให้ดูว่ามันมีมันมีเพลินมันมีเพลินมีมีมีเผลอมีหลงหรือเปล่าเนี่ยค่ะมันก็จะเห็นเห็นตัวเองว่าเอ้ามันหลุดอีกแล้วพอตั้งตั้งใจบางทีอ้าวก็เริ่มอ้าวมันไปก็กลับมาใหม่ค่ะก็กลับมาแล้วก็อเดินก็ดูใหม่ที่ก็ต้องกลับมาที่พอเดินไปก็มันดูที่ลมหายใจตัวเองด้วยให้มันหายใจให้มันรู้สึกตัวอย่างเงี้ยค่ะ ก็ก็ก็พยายามทําอย่างนี้ค่ะแล้วก็ก็จะเห็นหลายครั้งว่ามันครีมก็หลุดไปอีกเหมือนเดิมแต่ก็ระหว่างทําจนกระทั่งทําทํามาเนี่ยมันก็เห็นว่ามันมีระยะเวลาที่มันนานขึ้นค่ะจากจากเมื่อก่อนเนี่ยนั่งสิบสี่จังหวัดเนี่ยนะคะมันมันจะมีอาการเบื่อมากแล้วก็คือทําได้ทําทําเหมือนทําตามหน้าที่อะค่ะแต่มันเหมือนกับ คือในส่วนลึกมันมันมันไม่ได้ตามไปขนาดนั้นไม่ไม่ทราบจ่าที่บายว่ายังไงค่ะคราวนี้มันก็อยู่กับมันได้อยู่กับจังหวะอยู่กับสติที่จะรู้ตัวเองได้มากขึ้นช่วงวันแรกๆนี่ก็ก็มีที่พระอาจารย์บอกว่าอย่านั่งพิงแล้วก็จะหลับแล้วก็คือก่อนหน้านี้มันก็จะกล้ามเนื้อตัวเนี่ยมันจะเจ็บระบบไปหมดขานี่มันจะบวมน่องเท้านี่มันจะบวมบวมแบบ โดนไม่ได้เลยนะคะโดนเนี้ยจะเจ็บก็ปรากฏว่าช่วงที่วันที่พระอาจารย์แบบว่าให้ให้ดูกายก็เดินเนี้ยก็จะเห็นว่าเท้าเนี้เวลาตั้งเนี้ยมันจะเจ็บอะก็เจ็บก็ไม่เป็นไรเอ้มันก็เจ็บแล้วพอลงมันก็มันก็ดูเหมือนสบายขึ้นเราก็เดินไปแล้วปรากฏว่าพอมันผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันร่างกายมันเปลี่ยนนะคะก็ลุกขึ้นมาออกกําลังกายก็รีบไปอาจารย์บอกว่ามันต้องดูทั้งกายทั้งใจเอาทํา ทำอะไรก็ทําทําอะไรก็ทําได้กันเลยร่างกายมันก็เปลี่ยนจริงๆค่ะปรากฏว่าน้องที่มันก็ก็ลองไปเช็คดูตัวเองทุกวันนะคะน้องที่มันจับไม่ได้เนี่ยปรากฏว่ามันก็หายลงไปทีละวันทีละวันจนในสุดท้ายเนี่ยมันก็ถ้าจะไม่เจ็บก็ประแทกยังไงก็ไม่เจ็บมันก็มันก็มันก็คลายตัวเองได้ค่ะไหลเลยมันก็คลายก็ไม่ต้องไปกายภาพบําบัด ก็ก็ก็ ก, กเริ่มรู้วิธีว่าอ๋อมันเป็นเพราะจิตใต้สํานึกมันมันเล็งเอาผลทุกเรื่องอย่างเงี้ยแล้วการเล็งเอาผลเนี่ยมันก็เลยบางทีเนี่ยสิ่งดีๆในชีวิตเรามันดีแล้วบางทีเราก็ไม่ไปเห็นสิ่งดีๆอะเราจะเอาอีกเราเราเราอยากได้ที่มันมีมีภาพที่เราคาดหวังไว้อ่ะก็ก็เลยคิดว่ามันก็ทําจริงๆแล้วเราหนีอะไรไม่ได้เลยจากสิ่งที่เราไม่อยากเจอ มันก็ได้แค่ปัจจุบันอย่างอยย่างางวันนั้นที่พระอาจารย์เดินอยู่ตอนตีสี่ะคะ่ะแล้วก็มีช่วงเชื่อมต่อที่ฝนตกแล้วน้ํำขังมากก็ดูเหมือนน้ำน้อยๆก็แบบผ้ามาถูอคะ่ะเอ๊ะเราก็ว่าน่าจะถูแค่หน่งเดียวมันก็น่าจะหายถูครั้งแรกก็บีดน้ําที่ที่ผ้าก็น้ําก็ออกเยอะถูครั้งที่สองก็ยังออกเยอะอยู่ มันไม่เป็นอย่างที่คาดหวังเออเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็เหมือนกับตัวเรามันก็ต้องเพียนต่อไปเรื่อยๆแล้วมันก็คันออกไปได้ทีละช่วงจนจนกระทั่งอันนันห้าเที่ยวผ้ามันถึงจะแห้งสงสัยตัวเรานี่คงต้องใช้ความเพียนในการคั้นกินเลสอีกเยอะคงต้องอาศัยความเพียนอย่างเดียวค่ะคงทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่กับปัจจุบันให้มากๆ หนูก็ยังไม่แน่ใจตัวเองนะคะหนูหนูว่ามันเบาเบาลงแต่ว่าไม่รู้ว่าจากจากจากเมื่อก่อนเนี้มันหนูว่ามันดีขึ้นนะตอนนี้ค่ะก็ก็รู้สึกว่ามันก็ต้องพยายามต่อไปคิดอยู่อย่างคือว่าเราเราหวังผลแล้วเราไม่ได้แต่พอที่มันจะได้ก็คือไม่ต้องหวังอนะ คือไม่ต้องหวังร้อ้ความตัวนี้คือที่บอกว่าของดีๆเนี่ยมันมีอยู่แล้วความสบายมันมีอยู่แล้วแล้วไปหวังมันทําไมแต่เราต้องทําให้เป็นตัวนี้สําคัญนะในชีวิตรจริงของเราพูทีเจ้าตรงนี้ใช่ใช่เาว่าสันโดษคือคือพอใจในสิ่งที่โนมียินดีในสิ่งที่รนได้ถ้าจริงๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสํารวจดูให้ดีนะความสบายลายการร่างกายของเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วระดับหนึ่ง เรารู้จักปรับรู้ใจแต่ส่วนใหญ่ที่เราลืมมันเพราะว่าเราเราเพลินในเรื่องอื่นเพลินที่จิตส่งออกใช่ไหมแต่เรากลับมาสํารวจ ด, ดูจริงๆเนี่ยว่าเราทุกเรื่องอะไรเรามีทุกจริงๆไหมดูกายดูใจดูเพมันก็ไม่มีอะไรที่น่าทุกข์แต่เราคิดว่าเราเป็นทุกข์ความคิดมันหลอกเราตลอดเวลาตอนนี้ก็เรียกอุปทานดึงตลอดเวลาดังนั้นถ้าเราไม่ดึงจิตมาอยู่ปัจจุบันไม่เป็นแล้วก็ไม่เห็นความสบายไม่สบายชัดเนี่ยเรา มีเงินเป็นแสนเป็นล้านเป็นเท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขที่แท้จริงแต่พอมาเจอตรงนี้เราไม่มีอะไรเลยก็มีความสุขมากมากเลยตรงนี้พุทธเจ้าเรียกวบรมมสุคคือสุขที่ไม่ต้องเสาะหามันมีอยู่แล้วแต่ยอมรับเอาอมันเขาคุณมากที่ให้วลีตรงนี้นะ